1,223 ปีถึงพุทธศักราช579โจวหวงังซึ่งเป็นฮ่องเต้ที่โหดร้ายที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์จีนและเป็นองค์สุดท้ายของราชวงศ์ซางถูก ป, ปราบสำเร็จโดยโจอู่หวงังหรือจิวบูอ๋องในปีก่อนพุทธศักราช579โจวหวงังสังสมแต่บาปกรรม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 เข้าไปในวัดเพราะอยากทําบุญแต่มีเงินเพียงสองอีแปะความจริงราคาของเงินนั้นน้อยนิดแต่ค่าของความมีใจอยากทําบุญนั้นเหลือหลายท่านเจ้าอาวาสจึงกล่าวอนุโมทนาคาถาให้ศีลให้พรเองต่อมาหญิงนั้นได้เป็นพระสนมของฮ่องเต้มีเงินมากมาย จึงนำเงินหลายพันตำลึงมาที่วัดนั้นอีกเพื่อทาบุญคราวนี้เจ้าอาวาสให้พระลูกวัดกล่าวอนุโมทนาคาถาและให้ศีลให้พรแทนพระสนมเกิดความสงสัยยิ่งนักจึงถามท่านว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้ายากจนมีเงินเพียงสองอีแปะแต่ท่านมากล่าวอนุโมทนาคาถาและให้ศีลให้พรข้าพเจ้าด้วยตนเอง มาบัดนี้ข้าพเจ้าพอจะมีเงินบ้างจึงนำมาถวายหลายพันตำลึงแต่ทำไมท่านกลับให้พระลูกวัดทมหน้าที่แทนท่านเล่าท่านเจ้าอาวาสกล่าวว่าแต่ก่อนนี้แม้ท่านจะทำบุญน้อยแต่ใจท่านนั้นเปี่ยมไปด้วยเจตนาที่เป็นกุศลมาบัดนี้แม้ท่านจะมีเงินทำบุญมากแต่ใจของท่านนั้นไม่เหมือนแต่ก่อนเสียแล้ว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 อีกตัวอย่างหนึ่งมีเซียนท่านหนึ่งชื่อว่าจงหลีท่านเป็นชาวหั่นประมาณ337ปีก่อนพุทธศักราชถึงพุทธศักราชที่5 5 1เมื่อท่านตายได้สำเร็จเป็นเซียนผู้วิเศษสวยสุขอยู่บนสวรรค์หลายร้อยปีจนสมัยราชวงศ์ถังราวปีพุทธศักราช 1,161- ถึง 1,450 ท่านเซียนจงหลีก็รับลูกศิษย์ไว้คนหนึ่งมีชื่อว่าท่านรีต้งปินต่อมาจนถึงปัจจุบันผู้คนเรียกท่านว่าวีจูหรือลือโจท่านเป็นขุนนางรับราชการเป็นนายอำเภออยู่สองครั้ง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 เหล็กนั้นก็จะกลายเป็นทองสามารถนำไปช่วยเหลือความยากจนของผู้คนได้ท่านลือโจ้จึงกราบถามท่านอาจารย์ว่าเมื่อเปลี่ยนไปเป็นทองแล้วจะกลับเป็นเหล็กดังเดิมอีกไหมท่านจงหลีตอบว่าเมื่อครบ5 0 0รปีแล้วก็จะกลับสภาพเดิมได้ท่านลือโจ้ะจึงปฏิเสธไม่ยอมทำเหล็กให้เป็นทองเพราะท่านเห็นว่า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 ก็แสดงให้เห็นความเป็นคนของท่านลือโจว่าสูงส่งเพียงใดท่านจึงกล่าวกับสิทธิรักของท่านว่าการที่จะบรรลุความเป็นเซียนนั้นจะต้องสั่งสมคุณธรรมให้ได้ถึง3 0 0พันอย่างคำพูดของเจ้าเพียงคำเดียวก็เท่ากับได้สร้างคุณธรรมครบ3 0 0พันอย่างแล้วในพริบตาการทำความดีนั้นเมื่อทาแล้วก็แล้วกันอย่าได้นามาคิดถึงบ่อย